สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยห้าสิบสามเรื่องรุกคืบพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในธรมลูกาบทที่สิบข้อที่สิบสามจนถึงข้อที่ยี่สิบราทำลูกาบทที่สิบข้อสิบสามจนถึงยี่สิบโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าวิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซิงวิบัติแก่เจ้าเมืองเบตไซดาถ้าการมหาศจั ซึ่งได้กระทําท่ามกลางเจ้าได้กระทําในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนที่เท้ากับใจเสียใหม่นานมาแล้วแต่ในวันพิพากษานั้นโทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้าฝ่ายเจ้าเมืองคาเปนาอมุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือมิได้เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากผู้ที่ฟังท่านหลายก็ได้ฟังเรา ผู้ที่ไม่ยอมรับทนทั้งหลายก็ไม่ยอมรับเราผู้ที่ไม่ยอมรับเราก็ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้เรามาฝ่ายสาวกเจ็ดสิบคนนั้นกลับมาด้วยความปรีดีทูลว่าพระองค์เจ้าค่าถึงผีทั้งหลายก็ได้อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์พรงคตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยแต่ว่าอย่าเปลมปรีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของท่านแต่จงเปลี่ปรีเพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์พี่น้องครับในข้อที่สิบสองสิบห้า ถึง15พระเยซูได้กล่าวว่าในตอนนี้ว่าเมืองที่ได้ปฏิเสธพระองค์เมืองโสโดมเป็นเมืองที่ทำความผิดบาปอย่างร้ายแรงในสมัยของอับราฮัมพระเจ้าได้ทรงทำลายเมืองนั้นไปเรียบร้อยแล้วพวกเขานนั้นได้เพิกเฉยต่อคำเตือนของพระเจ้าที่ให้กลับใจเสียใหม่เหตุการณ์นี้ได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่9ข้อ24ถึงข้อ28ครับ พี่น้องครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมพระเจ้าถึงได้เป็นผู้ที่ดุร้ายจังเลยเมืองโสดมทั้งเมืองพระเจ้าก็ล้างได้หมดโสดมโกมมราเป็นเมืองในสมัยโบราณในสมัยปฐมกาลพระเจ้าก็ฆ่าตายหมดทุกคนไม่มีเหลือแต่แท้จริงแล้วถ้าว่าพี่น้องได้มีโอกาส ก, กลับไปอ่านในเมื่อปฐมกาลบทที่สิบเก้าพี่น้องก็จะรู้ว่าเพราะพวกเขาใ น, นเพิกเฉยต่อคาเตือนของพระเจ้าแต่แค่เพิกเฉยเท่านั้นหรือ พระเจ้าก็ต้องฆ่าเขาให้หมดแท้จริงแล้วเรากําลังบอกว่าพระเจ้าอาจจะไม่ยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้เราไม่ควรคิดแต่ในขณะเดียวกันความสงสัยตรงนี้ก็ทําให้เราต้องแสวงหาคําตอบแท้จริงแล้วพระเจ้าได้ทรงลงโทษมนุษย์พระองค์ไม่เคยลงโทษโดยไม่มีการเตือนครับในขณะเดียวกันพระเจ้าได้ส่งคนของพระองค์ก็คืออับราฮัม มาเตือนเขาและคนของพระเจ้ามาเตือนเขาแต่บาปของเขานั้นก็คือบาปแห่งการไม่กลับใจและเมื่อบาปแห่งการไม่กลับใจนั้นเกิดขึ้นกับใครก็ตามหรือกับกลุ่มคนหรือเมืองไหนก็ตามจะทำให้เขาไปถึงความพินาศเพราะอะไรครับเพราะความบาปของเขาได้สะสมสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งพระพิโรธของพระเจ้านั้นก็เต็มถึงขนาด และเมื่อพระพิโรธของพระเจ้าเต็มขึ้นหนาดซึ่งแปลตามความบาปที่เขาสะสมมาในที่สุดพระเจ้าก็จะต้องอยู่ในความยุติธรรมความเที่ยงธรรมความบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ลงโทษไม่ได้อย่างไรก็ตามนับพระเยซูกําลังบอกว่าในวันที่ภากษานั้นโทษของเมืองโสดมก็จะเบา ก, ากว่าโทษของเมืองอีกสองเมืองที่ได้เอ่ยในครั้งนี้ก็คือเมืองโคราซินและก็เมืองเบตไซดาทั้งสองเมืองนั้นเป็นเมืองในแคว้นกคลิรีเป็นแคว้นที่พระเยซูเติบ โวขึ้นมาและทําพันธกิจทั้งสองเมืองนี้ได้มีโอกาสพบกับพระเยซูได้มีโอกาสได้ยินเสียงของพระเยซูในพระคัมภีร์นั้นกล่าวถึงถึงเมืองโคราซินสองครั้งเมืองนี้อยู่ใกล้ใกล้ทะเลแกลิลีครับและน่าจะนะครับจะนิฐานว่าอยู่ห่างจากเมืองคาปนุอุมนั้นขึ้นไปทางเหนือประมาณสามกิโลเมตรท่านั้นเองเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองเบตไซดาครับเมืองเบตไซดานั้นมีอยู่สองแห่งด้วยกันนะครับ แห่งหนึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลกคริลีชื่อว่าเบตไซดาจูเลสชื่อเต็มของเขานะครับและอีกเมืองหนึ่งอยู่ใกล้กันมากอยู่ทางใต้กับเมืองคาปนาอุมนะครับก็ชื่อว่าเมืองเบตไซดาเมืองเหล่านี้ครับและคนในเมืองนี้มีโอกาสมากมายที่จะเชื่อและฟังพระเยซูเมืองไทระเมืองไซดอนก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับแต่ห่างไปครับห่างไปทางตะวันตกอยู่ชายฝั่งทางเหนือของกคริลี เมืองนี้พระกมภีร์บอกว่าจะถูกพิพากษาโทษเบาวกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขามีโอกาสฟังพระกิติคุณน้อยกว่าแต่ผู้คนในเมืองคาบเนอูมอันเป็นเมืองสําคัญกันลีจะถูกพิพากษาโทษหนักที่สุดครับถ้าพวกเขาไม่ต้อนรับพระบุตรของพระเจ้าเพราะพวกเขามีโอกาสคุกครีกับพระเยซูคริสต์มากที่สุดพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นว่าใครก็ตามนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูที่ได้ฟังพระเยซูและไม่กลับใจใหม่โทษจะหนักที่สุดครับ แสดงว่ามีโทษเบาโทษหนักใช่ไหมคําตอบคือใช่ครับแสดงว่ามีระยะใกล้ชิดระหว่างคนหรือเมืองนะครับหรือผู้คนทั้งหลายกับพระเยซูใช่ไหมใช่ครับมีหลายระยะครับพี่น้องครับในข้อที่สิบหกครับพระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ฟังผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครั บ, รบเขาจะได้รับความรอดและผู้ที่ไม่ยอมรับคนที่เป็นมิชชันนารีคนประกาศข่าวประเสริฐ ก็เท่ากับเขาไม่ยอมรับพระเยซูและไม่ยอมรับพระบิดาและเป็นผู้ที่ใช้พระเยซูมาพระเยซูกําลังตรัสถึงการยอมรับนะครับเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาพี่น้องครับในข้อที่สิบเจ็ดบอกเราว่าพวกผู้ประกาศหรือมิชนาลีกลุ่มแรกนั้นกลับมาจากการรับใช้เกิดกลับมาจากการประกาศด้วยข้ทีที่ชื่นชมยินดี ยังอาจจะเป็นไปได้ที่พระเยซูได้กําหนดเวลากับและสถานที่พบกันไว้พวกเขาก็นัดกันนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันก็มาพูดคุยกันอภิปรายกันรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขากลับมาด้วยความยินดีปรีดาและทูลพระองค์ว่าพรองค์เจ้าค่ะผีทั้งหลายก็อยู่ใต้บังคับบัญชาของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์นี่มีความหมายว่าพวกเขานั้นได้รับชัยชนะเหนืออํานาจของซาตานครับ พระเยซูก็ได้ให้สัญญากกบพวกเขาว่าพระงจะทรงประทานสิ่งที่พวกเขาต้องการแน่นอนเมื่อพวกเขาเชื่อฟังและออกไปทำงานให้พระองค์และประสบการณ์ที่เขาจะมีนั่นก็คือประสบการณ์แห่งฤทธิ์เดชที่พวกเขาได้รับนะครับช่างเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแลดีมากยิ่งกว่านั้นพระเยซูก็ยังเล่าให้เขาฟังทั้งหลายว่าให้เขาทั้งหลายฟังว่า พระองค์ได้เห็นซาตานตกจากฟ้าอย่างไรเหตุการณ์ที่แท้จริงได้กล่าวไว้นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่สิบเจดข้อเจ็ดถึงข้อเก้าพี่น้องถ้าากว่าท่านมีเวลานะครับลองเปิดดูนะครับวิวรณ์บทที่สิบเจ็ดข้อเจ็ดถึงข้อเก้าในช่วงเวลานี้พระเยซูได้ตัดบอกกับพวกที่ไปประกาศหรือมิชนาีที่กลับมาพระเยซูบอกว่าในระหว่างที่พวกเขาไม่อยู่พระเยซูมองเห็นซาตานได้รับความท่ายแพ ก็คือซาตานเนี่ยตกจากฟ้าพี่น้องครับคำว่าซาตานนั้นตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแรกก็คือเป็นการพ่ายแพ้ของมารซาตานเพราะการลุกคืบลุกคืบของบรรดาทหารของพระเยซูคริสต์ลุกคืบของกองทัพของพระเจ้าลุกคืบที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูมองเห็นซาตานได้ควายแพ้เพราะคำพยานของพวกเขาการทำงานของบรรดามิชเชนีกลุ่มแรก และรวมถึงพวกเราด้วยนะครับในทุกวันนี้ถ้าว่าเรานําวิญญาณมาถวายพระเจ้าเรากําลังลุกคืบในแผ่นดินของพระเจ้าเรากําลังขยายแผ่นดินของพระเจ้าเรากําลังเปล่าประกาศถึงชัยชนะและเราก็จะรู้ว่าซาตานนั้นได้ก่อนพ่ยแพ้เพียงครับพระเยซูได้ตัดไว้ในข้อที่สิบเก้าซ้ำอีกครั้งนะครับว่าพวกเขานั้นจะมีอํานาจโดยมอบอํานาจการมอบอานาจจากพระเยซูให้เหยียบงูร้ายและแมลงป่อง นะครับและมีอํานาจใหญ่ยิ่งกว่ากําลังของศัตรูคือซาตานเห็นครับริษฐานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้มอบไว้กับพระเยซูแล้วเมื่อพระคัมภีกล่าวถึงงูและแมงป่องนะครับก็ย่อมหมายถึงอํานาจของความชั่วร้ายพวกนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งอํานาจของความชั่วร้ายของซาตานครับงูและแมงป่องพี่นไหมครับในข้อที่ยี่สิบพระเยซูได้กําชับชัดเจนครับว่าแต่อย่าเปรมปรีในสิ่งนี้ คือพวกที่คือที่พวกผีนั donne, ้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของพวกท่านแต่จงเปรนปรีเพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์นี่หมายความว่าความรอดของคนนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งความรอดของจิตวิญญาณของผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้โปรดฟังอีกครั้งครับความรอดของคนเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ในโลกนี้เพราะฉะนั้นนี่คือพระมหาบัญชานี่คือภารกิจที่เร่งด่วนในการนําวิญญาณในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในการรุกคืบนําวิญญาณแต่และดวงแต่และดวงแต่และดวงมาถวายพระเจ้านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นภารกิจหลักในชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนทุกๆอาชีพนะครับผมขอเน้นย้ําว่าทุกๆอาชีพครับไม่ว่าท่านจะเป็นอาชีพใดก็ตาม พระกัมภีบอกว่าพระเยซูทรงมีความเปรมปรีเพราะสาวกได้กลับมาจากการเดินทางไปประกาศด้วยความสุขหากว่าเราอยากจะให้พระเยซูดีใจพระเยซูเปรมปรีชื่นชมยินดีเราต้องเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจนะครับในการที่เราจะทําให้พระเจ้าโปรดปรานในการที่จะทําให้พระเจ้ายิ้มในการที่จะทำให้พระเจ้านั้นมีความเปรมปรี พระเยซูมีความเปลี่ยนปรีคือการลุกคืบเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าอาเมน